วิธีเลิกปล่อยใจไหลาตามทุกอารมณ์อยากหายตัวไปจากโลกหรืออยากหายหน้าไปจากสังคมเป็นความทุกข์ที่กัดกินใจเหมือนหุ่นกระบอกไร้วิญญาณที่ไม่ต้องการโดนป้อนโปรแกรมใดๆอีกแล้วอยากถูกปลดระวางให้แน่นิ่งเสียทีแล้วยิ่งปล่อยใจตามอารมณ์เบื่อมากขึ้นเท่าใดความฟุ้งซ่านเก็บกดยิ่งหนานแน่นขึ้นเท่านั้น คุณอ่านงนงิดเต็มแรงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่กลับเฉย ช, ชาเอื่อยเฉยกับเรื่องที่จําเป็นปึกหายใจยาวให้เป็นลากยาวแช่มช้ารู้สึกถึงความสดชื่นนุ่มนวลที่เข้ามาเต็มปอดและสังเกตลมหายใจสั้นเรื่อยๆแม้ความอึดอัดแม้ความคับอกก็สังเกตให้ออกยอมรับตามที่มันเป็นให้ได้ เมื่อรู้สึกว่าเดี๋ยวลมก็ยาวเดี๋ยวลมก็สั้นจากนั้นหันมารู้สึกถึงปริมาณความเบื่อที่เอาแน่เอานอนไม่ได้บางลมหายใจความเบื่อกว้างใหญ่เหมือนมหาสมุทรแต่บางลมหายใจความเบื่อแค่จุกที่อกเหมือนคูน้าอุดตันและบางลมหายใจความเบื่อก็คลา้ายสายหมอกบางๆลมหายใจต่างไป ความเบื่อก็แปลกหน้าแปลกตาต่างกันกลายเป็นสีสันของความทุกข์ภายในไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆพอเริ่มสนุกกับการสังเกตความม่เที่ยงเลิกยึดทุกเป็นตัวเป็นตนกับทั้งเลิกปล่อยใจไหลาตามทุกในที่สุดความเบื่อจะแปลสภาพเป็นอุเบกขารู้สึกเฉยแต่มีความตื่นรู้อยู่เกือบทุกลมเข้าออกนั่นนับเป็นการอาศัยความเบื่อ มันจะเรินสติให้ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแล้ว